เพิ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้นำมาประชุมกันจุดมุ่งหมายก็เพื่อฝึกกายฝึกจิตดวงนี้แหละให้ส ง, งบ ให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความรู้จริงนี่มันย่อมเกิดจากความสงบถ้าไม่ทำใจให้สงบก่อนมันจะรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้เลย นั้นนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจในหลักนี้ไว้สำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัตาสงสารปรารถนาจะถอนตนออกจากทุกนี้จะต้องมาฝึกกิจนี้ตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะพระพุทธเจ้าพราะองค์ ได้ทรงฝึกพระองค์มาก่อนคนอื่นทั้งหมดโดยวิธีนี้พระองค์จึงได้ตัดสู้หรือว่าจึงจึงได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาหน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วพระองค์จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง ที่ท่านเรียกว่าสมถะวิปัสนานี่ยนะสมถะคืออุบายทำใจให้สงบวิปัสนาอุบายให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสาพะวัธรรมทั้งหลายมีธาตุขันเป็นต้นจิตนี่เมื่อไม่สงบมันก็ ถูกอวิชชาตันหาครอบงำทำให้ลุกลี้ลุกลนกวดแกงไปมาเมื่อใจมันกดแกงไปมาอยู่นั่นเน่มันไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่ดิ้นรนไปเหมือนอย่างที่เราสายสายตาไปมา อย่างรวดเร็วอยู่เช่นนั้นยอมมองเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ได้ถนัดเห็นก็เห็นพอรังรางไปอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่ปล่อยให้ใจคุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นรู้อะไรก็รู้ไม่จริงรู้ไปชั่วขณะหนึ่งแล้กวก็าหายไป มันไม่ยืนตัวอยู่ได้เมื่อไม่ยืนตัวอยู่ได้มันก็เห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็ไม่เบือ่อนายเมื่อมันไม่เบือ่อนายมันก็ไม่ขับคลายความกำหนัดยินดีมันก็กำหนัดยินดีอยู่ตามเดิมนั่นแหละความกำหนัดยินดีเนี่ย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็มีความกำหนัดยินดีนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีทำให้เกิดกิเลสอื่นๆขึ้นมาทีแรกคนเรานี่นะมันก็เกิดความรักนั่นแหละก่อนนะรักกัน อย่างคนเราเกิดมาแล้วนี่ครับพบกันเข้าก็รักใครกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นลุงป้าหน้าอากันเป็นอะไรต่ออะไรกันแหละเมื่อรักกันนะคราวนี้ อยู่ไปอยู่มาเมื่อความรักนั้นมันผิดหวังลงอย่างเช่นว่าเรารักเขาอยากให้เขาทำอย่างนั้นกับเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นให้เราม น, นี้เมื่อเวลาเขาไม่ทำให้ตามประสงค์ก็เกิดความชังขึ้นมาแล้วไม่พอใจแล้ว ถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันก็รุนแรงมากเข้าก็อย่าร้างกันไปถ้าเป็นญาติพี่น้องกันก็แตกสามัคคีกันรวมกันไม่ติดมองหน้ากันไม่ถนัดเลยถ้าเป็นมิตรเป็นสายกันก็แยกทางกันไม่รวมทางกันเลยถ้าเป็นครูกับสิทธ ก็มีอันตามหลังกันไปไม่ได้มันมันเป็นอยู่เนี่ยบรรดากิเลสต่างๆนี่เมื่อตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตัวหนึ่งก็ตามหลังมามันเป็นอย่างนั้นมานี่ตัวความหลงเมื่อเมื่อมันวน ไ, วไปตามอานาจของ ราคะโทสะไปอย่างนั้นก็แสดงว่ามันหลงแหละมันจึงได้วันไว้ไปอย่างนั้นมันก็มีความหลงแทรกอยู่นั่นแล้วถ้ามันไม่หลงต่เบื้องต้นมันก็ไม่กำนัดยินดีหรือว่าไม่รักใครใครต่อใครแหล ะ, ะวางจิตเป็นกลางลงไปเพราะว่ามองเห็นแล้วว่า บรรดารูปนามทั้งหลายที่เกิดมาในโลกอันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดทั้งหมดนความจริงของรูปของนามของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็มีลักษณะสามประการอย่างนี้ หากความันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อความกำหนัดยินดีไม่มีแล้วความชังความเกลียดก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีความคับแค้นใจก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ไม่มีสิ่งที่จะให้คับแค้นใจ มองดูอันไดก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวอันนี้แหละความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้ชาวโลกทั้งหลายได้พินิษพิจารณาเพราะฉะนั้นอย่าไปเมินเฉยอย่าไปนึกว่าเป็นธรรมะอันสุขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ มันจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่พิจารณาไม่ภาคเปียนพยายามฝึกใจให้สงบอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะ น, นั่นเนี่มันรู้ไม่ได้ถ้าใจไม่สงบแล้วดังนั้นใหพึ่งพากันรู้จากหลักวิชาอันนี้ให้แน่นอนในใจแล้วพยายามปฏิบัติตาม มันถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในทรรมคำสอนของพระทิเจ้าที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงไว้ข้อที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาไอโบนิพระศาสดาทั้งนั้นแหละทรงแสดงไว้ แล้วเราเป็นบริษัทของพระองค์แท้ๆเป็นสาวกสาวิกาของพระองค์แท้ๆในปฏิญญาตนด้วยวาจาจริงๆอย่างนี้ล่ะทำไมถึงจะเมินเฉยละ่ะทำไมจึงจะไม่น้อมสติควบคุมจิตใจพิจารณาถ้าถ้าไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติตามนี้ ความเป็นสาวกหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ควายมีความหมายอะไรเพราะเมื่อบุคคลมาถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นต้นหรือว่าสิ่งอื่นใดก็ดีเป็นตัวเป็นตน้นเข้าไปแล้วมันใช้ขันห้านี่ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ปนเปนกันไปเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วกว็ทำชั่วไปเยือนยัดอยู่ในความดีไม่ได้เพราะว่าใจที่ไม่ไม่เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันกลับกรอกมันพลิกแผงไปมามันไม่ไม่สามารถที่จะรักษาความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนั้นไว้ได้ เช่นรูปนามอันนี้นะถ้าเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วไม่น่ารักไม่น่ายินดีไม่น่ากำหนัดหรือไม่น่าเกลียดน่าชังอะไรเลยฮนะแต่เราจิตใจของคนเรานี่ก็ยังไปหลงรักหลงชังหลงเศร้าโศกเสียใจกัมมันอยู่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันอนะ สาเหตุที่เกิดมาในโลกนี้มันจะเป็นทุกข์นั่นนะก็เพราะมันมันรู้ความรู้อันนั้นนะ่ะมันเคลื่อนขาดไปจากความเป็นจริงมันไม่รู้ไปตามความเป็นจริงเมื่อมนเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแสวงหาสิ่งที่ต้องการปรารถนานั้น ถ้าได้สมหวังก็มีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งถ้าไม่ได้สมหวังก็เกิดควา ม, กวามโกรธความครอบแขนใจถ้าใครมาขวางหน้าก็ต้องกำจัดมันออกไปมันจะเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ช่างมัน่นยอมรับกํรรับเป็นอ น, นันตพระราคะตัณหาแท้ นี่แหละความไม่รู้จริงเห็นแจ้งนะมันทำให้คนเราสร้างบาปสร้างกรรมเวรต่างๆให้แก่ตนเองและผู้อื่นหมายความว่าก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นไปในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นที่จบมันเป็นอยางไงดังนั้นนะ พ่อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระภูมิวิภาคเก่าทรงแสดงไว้นั้นก็เพื่อฝึกขวนจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีจริงอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเรากําหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเมื่อรู้แจ้งในปัจจุบันนี้ตามเป็นจริงแล้ว มันก็รู้แจ้งในสิ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วและรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงตามความเป็นจริงได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี่มันอยู่ในท่ามกลางเป็นส่วนกลางเรามองคืนหลังก็เห็นได้ มองไปข้างหน้าก็รู้ได้ก็จึงไม่สงสัยในนามในรูปอันเนี้ยเพราะว่านามรูปที่เป็นอดีตร่วงมาแล้วมันก็มีสรรภาวะเหมือนกันนี่แหละครับอยู่ในปัจจุบันนี้และที่จะเกิดอีกจะเป็นอยู่ไปในเบื้องหน้านน่นนั่นก็มีสรรภาวะเหมือนกัน กับอยู่ในปัจจุบันนี้เองไม่แตกต่างกันแต่อย่างไรแตกต่างกันแต่รูปร่างลักษณะเท่านั้นเองแต่ความไม่เที่ยงอันเดียวกันความเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากก็อันเดียวกันความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอันนี้ก็เป็นอันเดียวกัน ดังนั้นเมื่อรู้แจ้งในปัจจุบันนี้แล้วมันก็จึงสิ้นสงสัยในเรื่องอดีตอนาคตเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้ตัณหาความทยานอยากให้นามให้รูปอันนี้เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้มันก็ดับลงพอ <c oughs> มองดูขันห้า น, นี้อันเป็นปัจจุบันอยู่นี่ มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาทั้งนั้นเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันชำรุดสุดโทรมไปได้ถ้ามันเที่ยงแท่มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่ก็มองดูด้วยปัญญาแล้วมองดูชิ้นส่วนของร่างกายนีส่วนไหนมันกรล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่น รูปหยากนี่เราก็เห็นกันชัดๆด้วยตาหนังนี่แหละแล้วรูปละเอียดได้แก่อุปทายรูปรูปอาศัยรูปใหญ่เช่นสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงต่างๆอ่กาก็ดีหรือว่าแสง ก็ดีเสียงต่างๆก็ดีโมนี่เสียงคนเสียงสัตว์เสียงนกอะไรต่างๆหมนี่มันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะพระพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอุปทัยรูปรูปอาศัยรูปใหญ่รูปเล็กอาศัยรูปใหญ่หรือว่ารูปละเอียดอาศัยรูปหยาบ นี่ต้องต้องพิจารณารูปละเอียดอันนี้ให้มันเห็น <c oughs> คนส่วนมากมันก็มาหลงรูปละเอียดนี่แหละเช่นผิวพันธุ์วันนะอย่างนี้นะถ้ามองดูพนเห็นคนนั่นอนะ่ะมีผิวพันธุ์ผุดฟ่องดีอืม <c oughs> เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปรั่งนิ่มนวลไม่สูบซี้ดอย่างนี้มันเกิดความสนใจขึ้นมาเลยแอนคนนี่สวยอะ่ะผวผิวพรรณดีเกิดความกำนัดยินดีขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้ว อันนี้มันเป็นรูปละเอียดมันอาศัยอยู่ในรูปหยาบอยู่อาศัยอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นเช่นอย่างผิวหนังของคนเรานี่นะเมื่อมันมีเลือดวิ่งกระจายไปซึมซาบอยู่ตามผิวหนังอันนั้นเหล่มันก็เลยเกิดเป็นผิวพันธุ์ผุดผ่องขึ้นมา เป็นสีเขาเรียกว่าสีเนื้อน่ะนะ <c oughs> <c oughs> จะแดงจริงๆก็ไม่ใช่จะขาวจริงๆก็ไม่ใช่จะเหลืองจริงๆก็ไม่ใช่มันอยู่ในระหว่างสีเนื้อนี่น่ะอันนี้แหละคนหลงหลายพนักภาวนาเนี่ย มันต้องเพ่งดูให้มันเห็นอย่าให้สงสัยเพ่งดูให้รู้พอมันรู้ความรู้อันนี้มันปรากฏอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วพอตาไปมองเห็นรูปเช่นนั้นเข้ามันก็รู้ได้ทันทีอ เ, ออเออรูปนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยหายสงสัย ก็ไม่เกิดความรักความใคร่ขึ้นมา <c oughs> ถ้าไปเห็นรูปที่สูบสีดบอกคล้ำดำไปอะไรมวก น, นี้มันก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายนั่นมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นเครื่องตกแตง่ง บุคคลใดทำกรรมอะไรมาแต่ในอดีตกรรมอันนั้นมันก็ติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้ให้เป็นไปตามความอยากของดวงคิดในตำราพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าผู้ใดเป็นผู้เป็นคนใจดำ เป็นคนชอบอิจฉาลิสยาดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นชอบยกโทษตีเตียนผู้อื่นเมื่อไม่พอใจมาก็ทำหน้าตาบูดบึ้งให้แก่คนอื่น <c oughs> เช่นนี้กรรมนั้นมันตามสนองเอาเกิดไปชาติใดก็ เป็นคนมีรูปร่างคี้าย่ี้เลผิวพรรณวันนะกก็คล้ำดำไปไม่ผุดพองเป็นยองใหญ่นันว่าบุคคลใดเป็นผู้มีใจมูทุอ่อนหวานมีหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสอยู่เสมอไม่ชอบอิจฉาหรือเสียใครไม่ชอบดูถูกดูหมิ่นผู้ใด เพราะมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเพราะความรู้อันนี้แหละมันมีอยู่ในใจมันจึงไม่ดูถูกดูหมิ่นใครไม่เยียดหยามใครพูดเช่นนั้นแหละแม้เกิดไปชาติใดพบใดมักจะมีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างสวยสดคดงามสวดทรงก็ดี คนทั้งหลายเห็นเข้าแล้วก็สนใจอยากคบค่าสมาคมเป็นมิตรเป็นสหายหรือว่าเป็นคู่รักคู่ใครอะไรก็แล้วแต่มันแหละ <c oughs> อันมูนีเราผู้เจริญวิปัสนามันต้องเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างว่า แล้วมันก็จะมีได้หลงไหลวันไว้ไปด้วยความยินดียินร้ายไปในรูปในนามอันนี้เมื่อเห็นแจ้งในรูปนามนี่แล้วมันก็เห็นแจ้งนอกจากรูปจากนามนี้ออกไปมันก็เห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงไม่สงสัยอะไรอย่างนี้แหละ ทีนี้ส่วนรูปนี่ทั้งรูปหยาบรูปรูเอียดรู้แล้วอันนี้ยังส่วนนามธรรมาอันจิตใจมันหลงเคลื่อนไปตามนามธรรมานี่มันก็ไม่ง่ายใช่ไม่น้อยเหมือนกันแหละใจมันหลงไปตามนามธรรมานั่นั้น เมื่อเห็นแจ้งในรูปธทมแล้วก็ต้องมาพิจารณาส่วนที่เป็นนามธรรมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นธรรมไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาใช้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระ อ, องค์นะ่ะจะได้จับ หลักอันนี้มาพิจารณาดูคำว่าเวทนานั้นแปลว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างคำว่าสัญญาแปลว่าเจตสิกกรรมคือความจำจำได้หมายรู้ จำรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆจำดีจำชั่วจำถุกจำทุกจำสารพัดนี่สัญญามีหน้าที่จดจำสิ่งต่างๆในโลกนี้สังขารคือเจตสิกธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศล เป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอภยยากริทเรียกว่าสังขารนี่ตามหลักน่อย่างงี้แหละถ้าจะชี้ลงไปจริงจังก็ได้แก่ความคิดนั่นเองแหละคิดโลภคิดโกรธคิดหลงต่างๆ่พวกนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นอกุศลคิดไม่โลภ คิดไม่โกรธคิดไม่หลงความคิดอันนี้เป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายบุญก็ว่าได้ท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาหรือว่าอาปุญญาพิสังขารแปลว่าสภาพที่ ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นอกุศลความคิดไม่โลภ ก, ก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นยินดีในการบริจาคทานเพราะคนไม่โลภนี่เมื่อได้วัตถุสิ่งของอันใดมาหากวก่าเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วก็ต้องแบ่งให้ทานไป แกบุคคลที่ควรให้คนรบริจาคได้บุคคลผู้โลภแล้วอย่างนี้ได้วัตถุสิ่งของอันใดมาแล้วก็มีแต่หวงไว้ไม่รู้จักแบ่งสรรฟันส่วนจำแนกแจกทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างมุ่งหวังแต่เอาบริโภคใช้สอยแต่ส่วนตัวและหมู่คณะของตนเท่านั้น นี่คนคนมีความโลภจัดเป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลไม่โลภแล้วเม่นก็ทำบุญบริจาคทานได้แล้วก็ไม่ไปหลอกลวงไปไม่ไปช่บอไปโกงไปจี้ไปปล้นเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเลยคนที่ไม่มีความโลภอยู่ในใจ <c oughs> บุคคลผู้ไม่คิดโกรธเช่นนี้นะก็จะเป็นผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเสมอมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์สิริฉานก็ดีกระลวนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มี รูปใดนามใดจะยั่งยืนถาวรไปในโลกนี้ตลอดกาลนานไม่มีเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันหมดทั้งคนดีทั้งคนชั่วก็เมื่อมามองเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็เกิดความอินดูสงสารคิดอยากจะให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์นภัยในสงสารอันนี้ไปได้ เพราะตนเองก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เหมือนกันกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละอย่างนี้บุคคลผู้ที่ อ, อจะไม่คิดโกรธไม่คิดพยาบาทบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นะจะ ต, ต้องมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเช่นนี้แหละความคิดเมตตากรุณา อันนี้ท่านเรียก ว, ว่าเป็นปุญญาพิสังขารสภาพปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเช่น อ, อย่างพุทธศาสนิกชนหรือว่าทายกทายิกาจะทบุญให้ทานแก่ภิกษุสามเณรได้ก็พอมองเห็นภิกษุสามเณร น, นี่เป็นบุคคลที่น่าเอ็นดูน่าสงสาร เนื่องจากว่าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วนะไม่ได้คิดเบียดเบียนใครเลยมีแต่เอื้อเฟื้อเกือ้อกูลแก่ผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบใครอย่างนี้เป็นผู้สำรวมในศีลในพระปาฏิโมกข์อยู่ด้วยความส ง, งบเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ชอบอยู่ในเสนาสะนะอันสั ง, งอัดเมื่อทายกทายิกาเห็นเข้าแล้วก็จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแล้วก็ทั่งเกิดความเอ็นดูสงสารเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่ไปหาเงินหาทองที่ไหนไม่ไปทำการค้าการขายมไม่ไปหลอกลวงช่อโกง เอาทรัพสมบัติเงินทองของใครมาใช้มาจ่ายพระสงฆ์สามเณรนี่เป็นผู้ถือสันตุถีตามมีตามได้เมื่อทายกทายิกามีศรัทธาบริจาคถวายมาอย่างไรก็ยินดีพิจารณาบริโภคใช้สอยอย่างนั้น วัตถุทายทานเหล่านั้นจะเป็นของหยาบหรือของฝันนีตบรรจงอะไรก็พิจารณาดูเห็นว่าสมควรใช้สอยสมควรที่สมณนะจะพึงบริโภคใช้สอยก็ใช้สอยไปเพราะการใช้สอยผ้านุง่งผ้าหม่มอาหารกริีที่อยู่ที่อาศัยมุรี พิจารณาก่อนแล้วก็จึงบริโภคใช้สอยหมายความว่าพิจารณารู้เท่าก่อนไม่ได้หลงยินดียินร้ายโยกับปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณร เ, เนี่ยเมื่อได้ปัจจัยอะไรมาก็จึงไม่เสียใจไม่ดีใจ เมื่อได้ของดีๆมาก็ไม่ไม่หลงยินดีไม่หลงกำหนัดในของดีๆนั้นเมื่อได้ของไม่ดีมาของหมายก็ว่าของราคาต่ำมาเงี้ยก็ไม่เสียใจก็ไม่รังเกียจเพราะเหตุว่ามนึกถึงภาวะของตัวเอง ว่าตนเป็นนักบวชเป็นผู้สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ออกมาบวช ด, ดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเมื่อใครบริจาคถวายปัจจัยอะไรมาล้วก็พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแก่สมณนะจะพึงบริโภคก็บริโภคไปถ้าขัดต่อทำต่อวินัยแล้วก็ ไม่ใช้ไม่สอยไม่บริโภคในปัจจัยนั้นเมื่อทายกทายิการู้เรื่องของพระภิกษุสามเณรยอย่างนี้แล้วก็จึงเกิดความเมตตาเอ็นดูสงสารมีอะไรก็อยากจะให้อยากจะถวายประกอบกับภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาแล้วเรียน ทำเอาวินัยให้รู้ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติตามได้ผลพอสมควรอย่างนี้นะและทั้งสามารถแนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้อุปถัมภำรุงได้ตามกำลังความสามารถของตนอันนี้ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ของทายกทายิกาให้มากขึ้นไปอันนี้แหละที่คนเราจะได้ทำบุญถว า, ายทานจะได้สร้างบุญบา ร, รมีก็เพราะอาศัยมีผู้อื่นนั้นทำความดีให้เห็นเป็นตัวอย่างไปก่อนถ้าไม่เห็นผู้อื่นทำเป็นตัวอย่างแล้วมันก็ยากที่มันจะทำดีได้ คิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยแม้คำสอนของพระเจ้าอย่างนี้นะถ้าว่าพระสงค์ไม่ได้ศึกษาเรียนท่องบนจดจำเอาไว้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาแล้วก็ไม่ได้นำมาแสดงให้ทายกทายิกาฟังอย่างนี้ทายกทายิกาก็ไม่รู้เลยไม่รู้คำสอนของพระเจ้าเลย คำสอนของอุตเจ้านั่นถ้าว่าโดยย่อๆแล้วก็สอนให้คนละบาปแล้วสอนให้คนบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็สอนให้คนรู้จักอุบายวิธีฝึกฝนอบรมจิตนี้ชำระจิตที่เศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสเนี่ย ให้เป็นจิตผ่องใสให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากดวงจิตนี่คำสอนของพระเถรเจ้าทาว่าดโดยย่อแล้วก็มีอยู่สามอย่างอย่างนี้แหละถ้าว่าตามโอวาทโดยย่อๆอย่างนี้แล้วมันก็เหมาะสมทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งคฤรืหัดผู้ครองเรือนทั้งหลาย เหมาะสมที่จะพึ่งประพฤติปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยเพราะว่าบาปนี่มันเป็นสิ่งอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในสงสารบุญเป็นสิ่งอำนวยความสุขความเจริญให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่อไป เมื่อสร้างบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อใดบุญกุศลนั่นมันก็กำจัดกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิตสันดานอันนี้แล้วก็ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานไปได้รับความสุขอยู่ตลอดอนันตการ ไม่ได้กลับมาสู่ทุกข์ในโลกนี้อีกต่อไปก็อาศัยบุญกุศลนี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นเลยเมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละบาปให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้แล้วตั้งหน้าแต่บำเพ็ญบุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมันก็จเจริญมากขึ้นเรื่อยๆไป การที่บุคคลบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ค่อยได้นั้นก็เพราะว่าจิตใจมันเป็นสองแง่สองมุมบางทีมันก็ไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้นะบางทีก็ทำบุญไปทีนี้ธรรมดาบาปกับบุญนี่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือมันเป็นศัตรูกันหมายความว่างั้นเอาท่า ถ้าบุคคลมาน้อมไปในทางบุญกุศลเข้ามันก็ห่างจากบาปบ่นี่บาปนี่มันก็ไม่ต้องการจะห่างจากจิตใจของบุคคลมันก็ตามราวีบ่อนี้นะอันน่นไงขัดขวางไม่ให้ใจนี่สร้างบุญกุศลต่อไปเมื่อใจนี้ไม่มีกําลังก็สู้อ ำ, อำนาจของบาปกรรมไม่ได้ ก็เลยงดทําบุญไปเอ้าหมุนไปทางบาปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีกำลังใจเข้มแข็งไม่วันไหวไปตามอำนาจของบาปเช่นนี้แหละผู้นั้นก็ทําบุญได้บันนี้บุญก็จเจริญขึ้นแก่ผู้นั้นแต่คนส่วนใหญ่มักจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจของบาปกอ บาปมันก็ไม่ไม่ปิดช่องทางการทำบุญหรอกบางค้ามันก็เปิดให้ทำบุญไปบางคามันก็ปิดไม่ทำบุญให้ไปทำบาปอยู่อย่างนี้แหละคนเราพูดสร้างบุญบารมีนะ่ะมันถึงนานเต็มมันเต็มไปได้ไง่ายๆก็ ข, ข้อขาบาปนี่นะเมื่อบาปมันฉุดไปสู่นรกอบายญปุม่ม มันก็ไปเสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินา น, านแสนนานในระหว่างที่อยู่ในนรกไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนี่เราเราพิจารณาดูแล้วมันจะถึงพันิพันธ์ได้ไง่ายง่ายหรือไม่มีทางแล้วแม้แต่สวรรค์ น, นี่ก็ไม่ได้ไป มัวแต่เกิดมาในโลกนี้แล้วมาจะทำบาปจะทำกรรมเอาตายแล้วพอไฟไม่อยู่ในนรกอพ้นจากนรกมาเกิดเป็นคนอีกถ้าไม่ได้ครบไม่ได้ครบนักปราชญ์นักปราชญ์ไม่ได้แนะนำให้ละความชั่วต่างๆด้วยกายวาจาใจแล้วก็ถ้าได้ไปคบกับคนพาลเข้าเอาคนพาลกัประชักจูงไปทำบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้น ตายแล้วก็หมูนไปสู่นรกของเกาแล้วอยู่อย่างนี้ลนะ่ะทำยังไงล่ะจิตได้ไปสวรรค์นิพพานนะลองคิดดูคนเรา <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแหละ <c oughs> พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าปะมาโดมัจจุโนโรปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะ่ะพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดัตว์ตราฟังธรรมะบรรยายนี้แล้วขอให้พากันมีโยนิสโสมนสิการน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาดูให้รู้แจ้งเหตุปัจจัยของของชีวิตตามความเป็นจริงให้ได้ เพราะทุกคนนั้นรักตนนะไม่ได้เกลียดชังตัวเองเลยอยากให้ตนเองนั้นมีความสุขพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารใครๆก็ก็เป็นเช่นนั้นแหละก็เมื่อตอนมีความมุ่งหมายอย่างนั้นแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อย่างไรอะ่ะ เพราะคำสอนของบุคคลอื่นนอกจากคาสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้เรียนได้ฟังได้จำคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสอนคนให้ออกจากทุกข์ภัยอันนี้ไปได้ไม่มี มีแต่สอนให้วนเวียนอยู่ในโลกสงสารอเ น, นี้ยส่วนมากเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนะี่ยจึงควรไขควรพิจารณาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองก็ในพระธรรมคุณเนะ่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนะสวาขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธว่าเก่าแสดงไว้ดีแล้วสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกผู้ปฏิบัตินั้ น, นเมื่อปฏิบัติจริงจรมันย่อมให้ผลไม่ไม่เลือกการเลือกเลือกเวลาเลย ผลแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมปรากฏอยู่ทุกเมื่อเลยเป็นอย่างนั้นปรากฏอยู่ที่ไหนอ้าวปรากฏอยู่ที่ใจนั่นหละอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วก็ต้องให้ทานได้เมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็มีศีลบัดนี้สำรวมในศีลได้เป็นอย่างดีเลย เมื่อบุคคลไม่หลงแล้วก็เป็นเหตุให้ภาวนาให้เจริญสมถะทำใจให้สงบลงไปให้เจริญวิปัสนาและใช้ปัญญาพิจารณาสังขาร น, นามรูปนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงได้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน อ, อนี่เมื่อบุคคลมาปฏิบัติตามคาสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนะย มันก็ยังสามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นด้วยตนเองโอปัญญยโกรให้น้อมเข้ามาคนน่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เข้ามาสงเคราะห์ลงในจิตเนี่ยน้อมเอาทานเข้ามาสู่จิตนี้น้อมเอาศีลเข้ามาเอ้า จิตนี่มันมีศีลหรือเปล่านั่นแหละเราตั้งเจตนาวิทัศนว้นจากโทษนั้นแล้วหรือยังเออได้ตั้งเจตนาวิทัศเว้นมาโดยลำดับอยู่อย่างนีออ้ก็รู้ว่ามีศีลเลยนั่นนะน้อมเอาสมาธิเข้าไปน้อมเอากรรมฐานเข้าไปเพ่งดูกรรมฐาน กรรมาฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอวัยะวะร่างกายน้อยใหญ่ ต, ต่างๆนี่เองน้อมสติเข้าไปเพิงดูผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเหล่านี้นะดูให้มันเห็นแจ้งจริงๆให้มันเห็นตามสภาพความจริงดูตั้งแต่เมื่อเกิดน้่นมา ไปโดยลำ ด, ดับจนถึงเมื่อตายเมื่อตายลงแล้วส่วนมากมันก็เผากันพอเผาแล้วมันยังเหลือแต่กระดูกนอกนั้นก็เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดเลยก็ดูเอาจนมันถึงที่สุดเลยประเดี๋ยวรูปอันนี้มันก็หายสงสัยหายสงสัยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้หลยนี่เรียกว่า ป จ, จตังเวทิตาโบวินโยหิผู้ฉลาดเพ่งพินิพิจารณาอยู่ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงประจักด้วยใจของตนเองก็เห็นแจ้งปรจจักด้วยตนเองตนเองเพ่งพิจารณาดูนี่เราไม่ได้ให้ใครมาเพ่งให้อะใครจะมาเพ่งให้ใครก็ไม่ได้นะเรื่องมันนะ ต่างคนต่างต้องเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยด้วยตนเองเมื่อเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยแล้วอันซึ่งมันจะไม่เห็นความจริงอะไม่มีเห็นแท้แทมันไม่สะอาดมันไม่สวยไม่งามก็รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก ต้องประคบประงมต้องดูแลรักษาอยู่ทุกวันเลยก็จึงพอประทังอยู่ได้อันนี้ที่พระวุทธเจ้าตัดว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหะคือมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้แล้วเพ่งดูจริงๆแล้วมันบังคับไม่ได้เลยถ้ามันบังคับได้มันจะแก่มันจะสํารุดสุดโทมยังไงแล้วมันจะแตกจะทําลายลงยังไงอ่ะ เพราะว่าดวงขีดดวงนี้นะถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วมันไม่อยากให้ร่างกายนี่แปรปวนแตกดับทําลายเลยมันอยากให้เป็นอยู่อย่างนี้ยตลอดไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราเพ่งดูจริงๆแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางแบบ น, นี้นะก็ย่อมลงความเห็นว่าควรปลงควรวางแท้ๆไม่ควรถือไว้ถ้าเขินถือมั่นไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆแล้วเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่ก็ไม่ควรใช้ขันห้านี่ไปทําบาปเมื่อเมื่อรู้แจ้งแล้วนะนั่นแหละเช่นอย่าง พระโสดาบันนะอย่างที่เคยพูดมานั่นนะเมื่อท่านรู้แจ้งขันหานี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้ขันหานี้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตลืมสุ ร, ราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดไทโทษทัางๆหมวเนี้ยไม่มีนะพระโสดาบันจะไปทำชั่วห้าอย่างนี้ ไม่มีหันเว้นได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเป็นสมุทเฉทถ้าประหารไปเรียกว่าเว้นได้ขาดเด็ดจริงๆเช่นไม่ฆ่าไม่ไม่แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดตลอดชีวิตเลยซึ่งจะไปเจตนาฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตแม้ซึ่งมองเห็นด้วยตาก็ไม่มี มันเป็ น, นจะไปเจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าของเขาหวงแหนอยู่เนี่ยน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยไม่เอาจะไปเจตนาดอกลวงเมียของคนอื่นหรือผัวของคนอื่นไปทำมิตรดีมิตร้าย ต, ต่างนานานั้นก็ไม่มี ไม่มีเลยอย่างนี้แหละแล้วจะไปตั้งเจตนาว่าเราจะโกหกหลอกลวงคนนี่แหละให้หลงเชื่อให้หลงเข้าใจผิดไปในเรื่องนี้เพื่อเราจะได้เงินได้ทองเข้ามาอะไรต่างๆนา่นเนี่ยไม่มีเลยแล้วท่านจะไปเจตนา เดิมเล่าเมาสุรากัญชายาฟิน่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้ไม่มีงดเว้นได้โดยเด็ดขาดเลยแม้แต่อยากก็ไม่อยากอย่าว่าแต่จะไปคิดทําอย่างนั้นเลยเรื่อว่าในใจนั่นอ่ะมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากทําความชั่วเหล่านั้นน้อยหนึ่งก็ไม่อยากเลยความอยากประเภทนี้ของวโสดาบันทันละขาดไปแล้ว ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนี่แหละที่พระศาสดาทรงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็หมายเอาตัณหาส่วนหยาบๆนี่แหละเบื้องต้นเลยประเดียวเมื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนี้มันก็ไปทำบาปตายแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิอยู่งั้นเลยนี่เรียกว่าตันหาหยาบตัณหาส่วนหยาบอันนี้ มันพาไปสู่นรกอบายภูมิพุทธบริษัทควรพยายามลาตันหาส่วนย่ำย่านี้ออกให้ได้เสียก่อนแล้วต่อจากนั้นไปจึงค่อยพยายามลาตันหาอย่างกลางอย่างละเอียดต่อไปมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เรื่องตันหานี่ก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จะ ต, ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ตัญหาสามประเภทนี้เอาประเภทที่สองนั่นเมื่อละประเภทหยาบนี้ได้แล้วพระพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าบุคคลได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นผ้ามีความสุขมีอายุยืนยาวนานเช่นนี้นะเอากระบายากไปสวรรค์นี่แหละ ทำบุญถวายทานอะไรก็ปรารถนาขอให้ได้ไปสวรรค์ออย่างนี้มันก็เป็นตัญหาประเภทหนึง่งนี่เรียกว่าตัญหาอย่างกลางอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทําให้คล่องอยู่ในสงสารนี่เหมือนกันเนี่ยความปรารถนาอย่างนี้เนะีะความจริงนะบุคคลเมื่อละบาปอากุศลต่างๆเหล่านั้นได้แล้วมา ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลความดีมีให้ทานเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแล้วไม่ต้องขอถนาแล้วถ้ามันยังสั่งสมบุญกุศลนี่ยังเต็มไม่ได้ตายแล้วมันก็ไปสวรรค์ได้ไม่ไปไหนเออถ้าไม่ไปสวรรค์ก็ไปพรหมมาโลกผู้บำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปคนนั้นนะ่นี่ยบรรลุถึงฌานสมาบัติอะไรอย่างนี้แล้ว ก็ไปไปพรหมโลกนะถ้าการบาเพ็ญสมาธิภาวนายังไม่ได้บรรลุถึงฌานสมาบัติอย่างนั้นก็ไปสวรรค์หกชั้นเนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเช่นนี้แหละข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะเป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงมานาะทิถีต่างๆวันนี้นะ ให้หมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานอันนี้ขอให้พากันเข้าใจก็เมื่อก้เลสเหล่านี้มันเบาบางไปหมดไปเท่าไหร่จิตใจนี้มันก็มีความสงบสุขสบายเท่านั้นเลยปลอดโปรง่งไม่เดือดร้อนอะไร <c oughs> ความสุขอันนี้แหละมันเป็นเครื่องชี้บอกหนทางที่ถูกต้องเมื่อตนดวงกีดนี่ได้รับความสุขความสงบอย่างว่านี่แล้วมันก็รู้ชัดเลยว่าอ๋อนี่ถูกทางแล้วการปฏิบัติมานี่ไม่ผิดทางแน่นอนเลยอย่างนี้ผู้นั้นั้นก็มั่นใจในในหนทางอันนี้ ไม่หลงไหลไปเดินทางอื่นแล้ววะเนี่ยเดินแต่ทางสายนี้แล้วไม่ท้อไม่ถอยเลยนั่นแหละอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถึงเป็นครื้งหัดก็ปฏิบัติได้ธรรมะเหล่านี้นะแต่อย่างเป็นคารื้งหัดเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่แต่สินเท่านั้นเองเนี่ยสินนั้น คารื้หัดนี่มันก็สินห้าแล้วก็สินอุโบสถอย่างนี้ <c oughs> ส่วนนักบวชแล้วก็เป็นไปตามประเภทสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไปตามเพศตามภูมิของใครของเราเป็นอย่างนั้นส่วนการให้ทานหรือว่าการเจริญสมถาวิปัฒนานั้นอันเดียวกัน สายเดียวกันเลยแต่สำหรับการให้ทานนั้นสำหรับนักบวชแล้วก็ก็มีอยู่หรอกบางสิ่งบางอย่างที่ทา ย, ยุทา ย, ยิกาถวายมาแล้วมันเหลือใช้แล้วก็แบ่งถวายมอบให้แก่เพื่อนพิกษุสามนเณรด้วยกันไปใช้สอยไปแบบนี้ที่ สิ่งที่ภิกษุสามเณรจะให้แก่ญาติโยมได้แก่ให้ธรรมะเมื่อตั้งใจศึกษาแล้เรียนธรรมวินัยรู้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วตนเองก็ลงมือปฏิบัติทดสอบไปเลยเมื่อทนปฏิบัติไปได้รับความสุขความสบายใจได้เห็นผลแห่งการปฏิบัตินั้นว่าถูกทางแล้ว อย่างนี้นะแล้วก็นำไปแนะนำสั่งสอนทายกทายิกาให้เข้าใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเขาจะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่งางเมื่อเขายินดีสะดับตรับฟังเราก็แสดงให้ฟังอย่างนี้แหละชื่อว่าให้ทำเป็นทานนี่การให้ทานของพิษุสามเณร มันก็มีอย่างนี้อ่ะเพราะว่าพิกุสมาเนนไม่ไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้ทำนาทำสวนอะไรจึงไม่มีวัตถุทานเหล่านั้นเราทำกุศลความดีต่างๆให้เป็นตัวอย่างของทา ย, ยกทายิกาได้เห็นนี่เขาก็ได้หัดเอายางนี่เรียกว่าเราเราทำความดี ให้เห็นเป็นตัวอย่างมันก็เป็นทานอันหนึง่งฐานความดีที่เราทำเราไม่หวงนะ เ, เราไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ดูให้เห็น เ, เมื่อผู้มีอุปณิสัยวาสนาได้เห็นเขาแล้วก็พอใจฝึกทมตามอย่างนี้นะไม่ไม่ต้องสอนด้วยวาจา ก, ก็ได้เขาเห็นแล้วเขาก็ ทำตามไปมันก็ค่อยเห็นผลไป <c oughs> อย่างนี้แหละการทาบุญให้ทานนี่นะมันมันยอมเป็นไปได้ทั้งนักบวชทั้งกระลื้อฮัทเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัทได้สะดับตรับฟังธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม ให้เต็มความสามารถของตนของตนก็คงจะได้รับผลตามที่มุ่งหมายไว้ไม่มากก็น้อยดังแสดงมา